วันนี้นี่ต้องบอกว่าอัดแน่นทุกช่วงจริงๆค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงที่สามของเราในช่วงนี้เลยนะคะช่วงต่อไปค่ะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่เราคงรู้ละถ้าเราอยากเรียนทาวเวอรเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแต่ช่วงต่อไปเนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็คอยติดตามฝรั่งคนหนึ่งค่ะที่เขาพูดภาษาไทยชัดมาก เขาได้ยินไหมคะผู้พูดภาษาไทยชัดมากแล้วลองคิดดูสิคะว่านี่คือฝ ร, รั่งแบบเป็นฝรั่งแพดแพนนะคะที่เป็นชาวนาฬิกาจริงๆแต่เขาสามารถเรียนรู้และผู้พูดภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วภาษาไทยยากไหมคะยากถือว่ายากค่ะแต่ทำไมท่านนี้ถึงพูดได้วันนี้ค่ะในช่วงของคนไทยต้อง เปลี่ยนอะไรถ้าอยากเก่งอังกฤษวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับอาจารย์อาดัมค่ะแล้วอาจารย์อาดัมไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะแต่ว่ามากับดูเตอร์ของ Exchange ด้วยนั่นก็คือครูพี่ติงลี่นั่นเองค่ะทั้งสองท่านจะมีอะไรมาแบ่งปันให้ขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้งสองท่านขึ้นบนเวทีเลยค่ะ ไม่ขึ้ไปเซ็ตฉากให้ดิฉันหน่อยเหรอคะโอ้สวัสดีโอเคบอสคะมาทางนี้เลยค่ะมาที่ห้องประชุมเลยค่ะไปทางนายครับโอ๊ย oh. ไปทางนายโอเคปรบมือให้บอสดิฉันหน่อยได้ไหมคะโอเคบอสคะ What โอ้โซเมนี่ด็อกิเมนเลยค่ะวันนี้ you have to sign นะคะต้องเซ็นเยอะมากเลยค่ะโอ้โอเคโอ้โอ้ไก่อนที่จริงที่จะลืมบอสค่ะ tomorrow นะคะ at 3pm you have a meeting with Mr James นะคะ Oh I hate Mr James ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ Mr James is very important นะคะฮะ he is important ค่ะ he is important ใช่ he is a very important customer you cannot คัลซ์เคิร์ลคืมีทิงรู้ได้งไงอะ เขาเสื uh ่อมสมรรถภาพทางเพศเหรอครับไม่ huh? i m p o t e n t i m p o t e n t i oh, m p o oh. t a n <So>. t อ๋อสำคัญโ oh you mean important right all right right important ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ oh oh oh, oh! impotent and important ไม่เหมือนกันเหรอคะสองกับนี้นะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่รูค่ะมีบางอ่านค่ะ My mistake. My mistake. Okay. เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้งรีเชให้ก่อนนะคะ Okay. ไม่ I guess we won't cancel. Okay. No c a n c e l i n g All right. o กล้เที่ยงแล้วนะคะ o k a y เที่ยงนี้กินอะไรเดี๋ยวนไม่ใช่สิยังไม่ถึงเที่ยง Oh, did you? Did you? อ๋อหนูบุ๊กให้แล้วอะไรเหรอนี่ไงเดี๋ยว b o s ต้องไปไอซ์แลนด์ Iceland. Time. I, I don't want to go to Iceland. Why would I go to Iceland? That's the that's the coldest place on earth. Yesterday you told me you have to go to the Iceland for business trip. o I said uh, book a trip to Phuket. Oh. You know Phuket. You know. Yesterday I only only h uh, e a Phuket. I call t r Phuket. Phuket. You a Phuket, Iceland. a n o no. Oh, you're trying to say. Uh, ไอร์แเอไม่ใช่ไอ e l a n d หรอ no no ออซินประเทศไอรแลนดนะครับอ๋อนั้นคือ i r e l แล d แล้วก็มีประเทศไอซ์แลนด์อีกนะครับแล้วก็ยังมีเกาะนะครับนี่ครับอ่าะฮะไอซ์แดประเทศไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็มี Island ตัว S อไม่ออกเสียงเลยครับใช่ครับเราทริปไปกับแสนกว่าบาทนะคะบอสจ่ายเองแล้วกันนะคะ no but we're gonna เงินเดือนนะอ out of your monthly salary a l r i อุ่นหว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่แล้วได้ไหองค์กรเรา เอางี้เอางี้เราพูดไทยกันดีกว่าเนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้เลือกเลยครับแต่พูดไทยชัดมากชัดเวอร์ไปเวอร์ผมก็พอพูดได้ครับใช่ครับเอาจะชัดเลยก็ได้ครับโอเคบุถ้าสั่งงานแบบนี้แต่แรกจริงๆก็จะไม่ต้องแบบเออทำงานพลาดแล้วล่ะโอเคจากนี้อ่ะโอเคอ่ะแตู่ y อายุ h u n g r hungry เลย hungry hungry I am not I am not I'm h u r I'm hungry อ่ะเราจะสั่งข้า สั่งที่ยงนะเดี๋ยวจะสั่งอะไรเหรอพี่สมอรเขาเอากระเพราและทิงนี่เอาต้มจืดบอสทานเลยครับปกติก็จะทานกระเพราไก่ครับไข่ดาวครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่เอาไข่ดาวนะโอเคตรงนี้ดูปะพี่สมรไม่เอาไข่ดาวเอาไข่เจียวครับฮะไข่เจียวเจียว รู้จักไหมไข่เจียวอร่อยมากครับเดียวอร่อยมากมากครับเดียวเดียวอะไรครับไข่อะไรอีกทีหนึ่งเจียวโอ้ตาเต็มหน้าเลย what from พูดไม่ชัดหรือไไข่เจียวเอาจริงจเหรอคะาจะาไข่เจียวที่เป็นไข่ไก่หรือไข่คนอ๋จะเอาไข่คนทาไมอ่ะน่าเกียดอ่ะโอ้โหไข่คนก็คือาบสจะยินไข่เจียวอ่ะมันต้องเป็นไข่คนนะคะมันต้องเป็นไข่คน no oh oh no ไข่เจียวเจียวเจียวพูดผิดคุณโทษขอโทษพูดผิดไข่เจียวไข่เจียวเจียวเข้าใจแล้วครับ o k a so I I'll get a m l a m l y ไข่เจียวไม่เอาแล้ว y กะเพราไก่ไข่เจียว o ดหงุดหงิดโทษไว้ก่อน o k a a y เออแล้วอันนี้นี่ที่วันก่อนหนูที่ b o สัมำหษณ์บัญชีคนใหม่ไงรับไหมคะเอาไหมจริงๆน่ารักมากนะครับคุณอะไรนะ พวงสวรรค์นะครับุใช่คุณพวง เ, เป็นคนคนน่ารักมากๆเลยครับรับรับรัจ้างเลยครับเบอร์ชายเอามาทําบัญชีนะใช่ครับคุณอะไรอีกจี เ, เดี๋ยวเราพวงพวงสวรรค์ใช่ไหมพวงปอง<ว>มีคนไทยซิพวงในที่นี้มีใครชื่อพวงสวรรค์ไหมคะไม่มีผิดเหรคุณผ<ว>ิดตรงไหนอ่ะไม่เข้าใจอ่ะพวงสวรรค์ ออพรสวรรค์อ๋อพรสวรรค์ no l i t e n t i g h t ความสามารถโอเคพรสวรรค์อเคแล้วพวงสวรรค์คืออะไรครับพวงสวรรค์เหรอคะขอไปอีกสไลด์นึ่งเลยค่ะโอสไลด์เดิมเลยค่ะอ๋ออันนี้คือไข่เจียวกับพวงสวรรค์ในในกินด้วยกันได้เลยกนด้วยกัได้โอเคกินด้วยกันได้เลยนะคะโอเคบอสไม่ได้เลืองเลยไปไปไปวๆเร็วๆเๆเดี๋ยวต้องเซ็นเอกสารอีกเยอะเดี๋ยวต้องมีมีติ้งอีกเยอะนะคะเดี๋ยวลงมาก่อนไปทางอีกก่อนไปกันเลย <Okay. S 2> <laughs> ขอเสียงปรบมือค่ะตรวมือให้กับมือสักครู่นะคะนั่งฟังอยู่ได้ประโยชน์มากๆค่ะโอเคค่ะอดัมคะขอเชิญขึ้นเวทีอีกรอบในฐานะที่ไม่ใช่บอสแล้วครับได้ครับสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้คือสถานการณ์อุ้หไข่เจียว๊ ดวงสวัสด์มันยังลอยอยู่เลยเหรอครับ อ, อ๋ อ, อ, อ, อเห็นแค่ในนี้ออพวงสวัสด์ภาษาอังกฤษว่าไงครับผมไม่สอนนะไม่ไมสอนนะอย่ า, อ ย, าอย่ามาตามนะครับ <S <S ผมไม่สอนนะครับ เดี๋ยวติงลีขอสวัสดีทุกคนในที่นี้ก่อนนะคะขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าคุนตากันดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์อดัมนั่นเองที่เป็นแบบนเกสติเกอร์ของเราในวันนี้แล้วก็พี่ลีติวเตอร์จาก Exchange English นั่นเองนะคะทำไมเวลาพูดกับมัดำนะฮะเวลาแบบอดัมอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้สึกนะแบบอดัมอะไรเงี้ยเื็คนพูดเออชัดชัดโอเคครับข้าใจกว่าเน้นอะไรบางคำนะะเดี๋ยวขอคลิกเกอร์ให้อดัมด้วย ะะวันนี้หัวข้อที่อาดมจะมาพูดนะคะน่าสนใจมากๆมันถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะอะไรเรากำลังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ เขาเรียกว่าในชีวิตประจําวันแบบจริงๆจังๆังสทีเพราะเราไม่ใช่แค่ก้าใน AEC อ่ะในที่เชื่อว่า AEC มันคือไม่ใช่สิ่งที่เราเราอยู่กับเขมรพม่ามานานมากแล้วที่บ้านดิฉันจ้างนะคะคนงานพม่ามีเยอะมากเก่งนะภาษาอังกฤษเก่งมากนะเจอที่สยามพารากอนเยอะเหมือนกันนอ๋อพวเด็กเซลใช่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งฮะพูดไทยก็ได้ครับพูดภาษาของเขาก็ได้ครับเก่งมากเพราะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คนไทยต้องตามทุกคนให้ถ่านภาษาอังกฤษต้องได้ค่ะ ครับอามีอะไรมาฝากวันนี้คะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงทัศนคติของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วมีคนถามอดัมทุกวันนะครับว่าอาดัมครับนะบตอนนี้นะครับ how can I improve my English นะมีคนถามทุกวันนะครับไม่ว่าจะทาง Twitter Facebook YouTube นะครับมีคนถามมาทุกวันนะครับแล้วก็จริงๆ Where should I start? Where should I start? Okay, today I'm going to give you some tips. and some ways that you can improve your English okay วันนี้ก็จะพูด2ภาษาไปด้วยกันนะครับแล้วอาจจะขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดตามนะครับเพราะว่าอยากให้คุณบริหารลิ้นปากกับกรามในการออกเสียงภาษาอาังกฤษให้ชัดเป๊ะ Are you ready for that พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังบริหารแบบนี้เลยใช่ครับแบบนี้เลยเป๊ะัวโอเคโอเคครับ นี่คือที่ผมเสนอนะครับก็คือ you got to start from your นี่ทัศนคติครับ attitude นะครับ o m your attitude นะครับขอฟรีดขอฟรีภาพนี้เอาไว้นานๆได้ไหมครับอ๋อก็ได้ครับอันนี้แฟนคุณเหรอทั้งสคนเลยโอ้โหอ่าที่จุดก็ว่าอะไรครับอดัมอันนี้แปลว่าทัศนคตินะครับหรือมุมมองก็ได้ครับนี่นะครับเราดูนะครับที่ตรงเนี้ยนี่อ่านออกไหมนี่อะไรภาษาอะไรครับ นี่เอเลียนแน่นอนนะเอเลียนภาษาต่างดาวครับใช่ครับนะฮะไม่ได้ต่างดาวแล้วนะครับนี่ภาษาต่างดาวนะครับล้อเล่นนะครับอันนี้เป็นคําอ่านที่ใช้สากลนะครับในพจนนุกรมออกซฟอร์ธนะครับพจนนุกรมเว็บสเตอร์สพจนนุกรมทุกฉบับนะที่ได้รับความน่าเชื่อถือทั่วโลกนะครับก็ใช้ IPA ซึ่งในคอร์สของเรา exchanging ก็จะสอนการอ่านอันนี้นะครับนี่นะครับอาดามจะอ่านให้ฟังนะครับ เห็นอันนี้อันนี้ก็เหมือนจะเป็นไม้เอกนะครับแล้วก็ต่อไปก็คล้ายสระแอเป็นแอเน้นพยางนี้ถ้าเราเห็นไม้เอกตรงเนี้ยเหมือนเน้นพยางก้าก้าก้าก้าแต่ไม่ต้องสูงมากไม่ต้องแบบก้านะเอไม่ต้องเอวไม่ต้องแ <a. S 2> ออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ครับลองดูนะครับ attitude Attitude อ่าแล้วก็เน้นพยางนี้ฮะเมื่อกี้ attitude attitude นะครับแล้วก็อันนี้คือการออกเสียงแบบสากลนะครับเราจะเห็นนะครับซึ่งอันนี้เป็นอเมริกันครับอดัมเป็นชาวอเมริกันนะครับสังเกตนะครับตัวทีกลายเป็นตัวดีนะครอดัมพูด attitude แทนสำเนียงอังกฤษนะครับก็จะเป็น attitude นะครับเป็นตัวทีชัดนะครับ c อลอ n c อล o n โอเคเอาแบบอเมริกันโอเค attitude อะอ่ะไม่ใช่ตูดครับไม่เกี่ยวอะไรกับตูด Yeah. Attitude. a t t o it. t Attitude. Attitude. Yeah. attitude. Attitude. Yes. Attitude. Yes. You got it. You got it. Okay. okay. Okay. You got it. Attitude. Okay. So, first things first. สิ่งแรกนะครับที่อยากจะเอามาฝากนะครับก็คือการพูดภาษาที่สองอย่างชัดเจนนั้นไม่ได้ถือว่ากระแดกหรือดัดจจิตนะครับหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า speaking clearly and correctly isn't pretentious ที่ประเทศไทยบางทีถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษให้มันชัดนะครับสมมติ น, นะครับไปพูดกับเพื่อนนะครับว่า attitude S <S <S วันนี้อยากอ่านหนังสืออาดิชื่อมากเลย <S 2> <S 2> อย่างนี้นะบางคนก็เคยเยอะไปหรือเปล่านะฮะผมว่าไม่เยอะไปครับเหมือนนรำฝึกไทยนะครับก็พยายามเรียนแบบผลไทยให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับโดยที่เข้าใจว่าตัวเองเป็น เป็นต่างชาตินะครับไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะครับแต่ว่าก็ยังพยายามเรียนแบบคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้โดยที่ไม่ได้รู้สึก pretentious นะคร pretentious หรือกระแดะครับผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะครับแต่ก็ขนาดเดียวกันนะครับบางทีเราก็เห็นที่ประเทศไทยครับคนไทยบางคนไม่ภาคภูมิใจในในความเป็นไทยนะครับแล้วก็กลับไปประเทศนอกนะครับไปเมืองนอกนะครับแล้วกลับมาเริ่มพูดไทยไมโครชาร์ตนะฮะใช่ครับ However, pretending like you can't speak your native tongue clearly is. is pretentious ผมว่าอันนั้นเรียกว่ากระแดกได้นะฮะแรงไปไหมแรงไปแรงไปหรือเปล่าครับเมื่อกี้ <laughs> อดัม <laughs> อดัม น, นิดกระแดกเมื่ี้น่าอีกทีแต่เต็มมาก <laughs> ก็คิดดูนะครับภาผมอยู่ไทยนะครับอตอนนี้ผมอยู่ไทยมา10ปีแล้วนะครับไปประมาณมาสิปีนะครับแล้วก็พูดไทยได้ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้ ถ้าสมมติผมกลับไปอเมริกานะครับจริงๆคุณแม่ของผมอยู่นะครับวันนี้ก็มามาดูนะครับนะขอเสียงปรบมือให้คุณแม่นะครับโอเค They're clapping for you mom โอเคนะคุณแม่อยู่ข้างหน้านะครับสมมตินะครับผมกลับไปนะหลังจากที่อยู่ประเทศไทยสิปีนะครับเขาไปทักคุณแม่นะครับ Hello how are you I bye thank you and you sit down p l e a s e oh I sorry I forgot how to speak English because I go Thailand เวลี่ลองทานนะนะแม่โอ้โหตกบ้องหูแน่นอนนะครับโดนแน่อะดำทาเลนมากเลยอ่ะอยู่สปีกไทยแอคเซนด์เวลี่เพลนี่ how to speak like like Thai person okay because I am in Thailand v เวลี่ลองทาน I love you เวลี่มัดนะเวลี่ไทยเวลี่ไทย โอเคเอา อันนี้ได้ไหมอิงลิส์ลาวอันนี้เส้นได้ไหมลาวแอ็กเซนต์เป็นยังไงอเป็นอ้อมฮู้ดอกเนี่ยโอเคต่ะยังไไม่ใช่ปัญหาก็คือนั่นแหละพยายามรักษาภาษาไทยเอาไว้นะครับภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามมากๆนะครับใครๆก็คิดว่าภาษาไทยมันฟังดูเพราะพร้งนะครับเพราะว่ามีเสียงวรรณยุกนะครับกากากากกามันก็เพราะมากนะครับฝรั่งชอบนะครับดังนั้นอยากให้คุณรักษาภาษาไทยแต่ขนาดเดียว อยากให้คุณรู้สึกว่าจริงๆการที่เราพัฒนาภาษาอังกฤษให้ชัดนั้นไม่ได้กระแดะครับเ ร, เราต้องทำลายข่าวลือนี้ให้ได้ครับใ ห, ให้มันไม่เหลือที่ประเทศไทยเพราะว่าการพูดชัดนั้นจะทำให้คุณสามารถสื่อสารได้นะครับถูกต้องดังนั้นนะครับ <Yeah. S 1> อยากจะบอกว่า don't be scared to try your hardest To mimic, เรียนแบบ native pronunciation. ตัวอยากจะบอกว่าอยากกลัวที่จะพยายามเรียนแบบสำเนียงของเจ้าภาษาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่า if you, you, the you, the you know correct pronunciation, then you'll be confident that people will understand you. คุณจะได้มั่นใจนะว่าคนที่คุณพูดด้วยเนี่ยจะเข้าใจนะครับจะฟังรู้เรื่องนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีแค่ข้อ A กับข้อ B นะครับหลาย คนก็คิดว่าเวลาพูดเรียฝรั่งนะครับมีการทดสอบแบบฝรั่งจดโน้ตแบบว่าเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้เขาไม่ได้เติม s โอเคจดโน้นนะโอ้ยพะหุพศนะฮะลืมเหรอโอ้ยผันปริยาผิดชอบไม่คุยด้วยแล้วฮะไม่คบนะฮะฝรั่งไม่คิดอย่างนี้นะครับจริงๆมีแค่ A ็กับ B A, B. A, B. A B. คือฝรั่งเข้าใจพยักหน้าโอเค I understand B, B คือฝรั่งงงแค่นี้ใช่ครับ มแค่นี้คนคนไทยนี้จับผิดกันมากเลยนะคนไทยด้วยกันเองนะต่อให้คุณพูดผิดครับผิดหลักไวยากรณ์นะฮะหรือว่าผิดเพี้ยนในเรื่องสัมเนียงแล้วฝรั่งเข้าใจคุณได้ข้อ A แล้วนะครับสมมุตินะครับคุณอยู่ข้างนอกนะครับฝรั่งถามนะครับแแว่สัมเนียงฝรั่ง where's สำนึกฝรั่งเลือองข่าวด้วยนะสมมตินนะอยู่ข้างนอกอสยามพาากรณ์นี่แหละครับ from มาทอมทังนะ from มาทอม u where's BTS where's BTS คุณตอบว่า สำเนียงไทยจ๋านะครับ mm hmm. over there อย่างนี้ครับฝ mm hmm. รั่งเข้าใจหัหยเข้าใจสิเข้าใจครับ uh huh. แต่ถ้าจะยกระดับนะครับแล้วก็เราศึกษาเรื่องการออกเสียงนิดนึ่งครับนะอาจจะเรียนจากคอร์สของเราก็ได้ครับ uh huh. แล้วก็เราจะเห็นว่า O อออกเสียงว่า over แล้วก็ there เราพูดครับ over บทาหน้าฟินไปด้วยครับ over oh. over อาจจะเต้นไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับภาษาอังกฤษมันพูดยากขนาดนั้นเลยเหรอวันถ้าเราฝึกให้มันชินเดี๋ยว<อ>มันจะง่ายนะครับมันจะ smooth <Yeah. S 2> you know, it will get smoother and smoother as you go on <Yeah. S 2> แต่ว่าอย่ารู้สึกว่าการพูดว่า over there นั้นกระแด็นครับที่บอกนะครับ <Yeah. S 2> พูดไปครับแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกอะไรนะ เคยได้ยินอาจารย์ระดมสอนนะครับ over there แต่จำไม่ได้ก็พูด over there ไปก่อนฮนะได้นะับฝรั่งก็มองว่าสำเนียงไทยมันน่ารักนะฮะไม่ต้องมีเรื่องจาม่าเลยเข้ามายุ่งเลยเนาะใช่ง่ายๆเลยเนาะ over there, over there. มนา <Over there. S 1> นี่จิงเล่พูดกับฝรั่งไปเที่ยภาษา ไอโกยูกบังกะโลปัป๊มๆโอตายเข้าใจาเข้าใจแล้วก็ไปเด้วยกันเลยไม่มีปัญหารเรื่องคอมมินิเคชันนะคะสามารถไปได้ไปที่แน่นอนนะครับ all learners all learners will always make mistakes ผู้เรียนภาษาที่2นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะพูดผิดนะครับ ในฐานะที่คุณเป็นคนไทยนะครับคุณใช้ภาษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะครับคุณจะพูดผิดนะครับแล้วฝรั่งก็รู้ลวงหน้าด้วยว่าคุณจะพูดผิดนะครับ And we don't care เราไม่แคร์นะครับ We don't care You can make mistakes and we will think it's cute We don't care You don't have to speak perfectly นครับนี่ครับเมื่ออรามมาประเทศไทยใหม่ๆนะครับก็ไม่ได้พูดไทยแบบนี้แน่นอนนะครับต้องฝึกนะครับตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนพุกนะครับเราสำเนียงก็ไม่ได้ จำได้ครับเคยถามเพื่อนคนไทยนะครับคุณชอบนี่ครับบัวขาวครับหมอยไทยคุณชอบหมอยไทยัยมยทยหมคุณชอบไหมหมอยไทยนี่คือเพื่อนคนไทยนะดูหน้าเพื่อนคนไทยอะไรอะ่ะชอบไหม <laughs> จะพูดว่าชอบก็ไม่เชิงเพราะบางทีมันก็ ลำบาก What What What are you talking แบบพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะผมถามว่าคุณชอบบัวขาวชอบชอบหมอยมัยไหมนี่บัวขาวกับอันนั้นมันไม่น่าจะใกล้กันนะอ๋อนี่แหละผมพูดผิดนะครับอันนี้ผมอายมากนะครับรู้สึกอายมากที่พูดคำนี้นะครับแล้วก็เพื่อนก็สอนไปครับแล้วเพื่อนเพื่อนคนไทยแก้ให้ไหมแก้ให้ก็ไม่ใช่ครับมวอยมวยนะครับโอเคมวยนะครับแล้วก็คบวอ้ยเกียวแล้วไม่ใช่ ใช่โอเคเขไม่ได้พูดนะครเพื่อนสอดเยอะไปไหมหลายเลเวลเกินสอดเยอะไปสอนเยอะไปแล้วละหลายเลเวลเกิดนะล่ะก็มีมีหลายครั้งนะครับพี่นํำพูดผิดนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับจําได้คือฝรั่งเขาไม่มีต่อต่านะครับเขาจะพูดผิดประจํานะครับแล้วนํำฝึกต่อเต่านะครับบ่อยมากจนแบบสับสนนะครับสับสนมากนะครับระหว่างดอเด็กต่อเต่านะครับผมจําได้นะครับออกไปนะครับในช่วงน่าจะเป็นมีนาหรือเมษาที่มันร้อนมากครับแล้วก็เดินออกไปแล้วแบบ ร้อนมากครับอย่างนี้นะแล้วเพื่อนแบบอะไรนะมึงมีแต่ด้วยเหรอก้ยอะไรนะเดาอะไระคุณคุณพูดไปก่อนเดี๋ยวดิฉันดูสไลด์ให้คุณดูไปครับคุณร้อนไปเลยคุณร้อนไปก่อนมันเซนเซอร์แบบอันนี้จริงจริงผมก็พูดผิดมาหลายรอบไม่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่จะเล่าให้ที่จะที่จะให้เพื่อนนะครับเอาเสื้อผ้าไปอื อาตากแดดนะครับใช่ครับเราพูดว่าอยากจะคิดเลยว่าคุณช่วยเอาเอาเสื้อผ้าไปอาจากแด ได้ไหมใช่ครับเต็มเสียงเต็มปากเลยครับแล้วดาคมั่นใจมั่นใจมากนะครับแล้วก็เพื่อนก็ทักนะครับอาดามครับดากนะครับนั้นแปลว่าตูดครับนะฮะแล้วก็อีกอันนี้ก็อีกันนะฮะไม่ต้องพูดอีกนะครเพราะว่ามันเยอะไปแล้วเรื่องกาลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พูดทีเส้นหลุดออกจากกมูเลยครับพวดออกมาอ้มันรุนแรงมากนะการแบบเนี้ยผิดผิดพวกนี้นะใช่ผมก็ รู้สึกอายนะครับแต่ว่าผมจะมองว่าการพูดผิดนั้นเป็นบทเรียนให้กับเราได้นะครับถ้าเราดูนะครับต่อตาก็ยากสำหรับฝรั่งนะครับแล้วก็มีงองงูนะครับฝรั่งนี่ครับ The sun is really hot นะครับตอนนี้อยู่ข้างหลังเราน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสไลด์นิดหนึ่งนะคะอดัมโอเคโอเคไม่เป็นไรครับดูตรงนี้นะครับดูตรงไหนโแกนนะฮะอดัมดูตรงนี้นะครับด่าหรือด่าอะไรล่ะก็ ผมจะมีโซโกแกนในการเรียนเรียนภาษาอังกฤษนะครับ <Yeah. S 1> หรือเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยหรือว่าถ้าเป็นผมเรียนภาษาไทยนะครับภาษาที่สองผมก็จะบอกว่า learn from and laugh at your mistakes นะครับซึ่งจะแปลว่าให เรียนรู้และหัวเราะไปกับความผิดพลาดนะครับแทนที่จะเครียดนะครับหรือว่าแทนที่จะคิดว่าเราต้องพูดไร้ที่ตินะฮะสมบูรณ์แบบเราก็มองว่านี่คือภาษาที่2องนะครับถ้าดำพูดผิดอาดำก็หัวเราะไปคุณก็หัวเราะอาดำได้ I don't care ไม่แคร์นะไม่แคร์ฮะอันนี้ไม่ใช่ภาษาของอาดำนะครับถ้าดำพูดได้ขนาดนี้นะครับผมรู้ว่าคุณก็พูดภาษาอังกฤษได้ครับแต่ก็มีอยู่ที่การฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องมองว่าคุณพูดผิดแล้วมันไม่ใช่เรื่องใ ใหญ่มากนะไม่ตายนะฮะไม่ตายครับนะแายังมีชีวิตอยู่ครับโอ้โหเล่นพอเลยไม่มาดามยังเป็นคนบอกเองว่าพูดผิดยังน่ารักเลยสัมใช่พูดผิดแล้วไงแล้วไงคือกลัวอะไรกลัวคนอื่นมามาหยอกล้อฮะคนอื่นแบบมาล้อเรียนแบบเฮ้ยโง่ฮะอะไรเงี้ยทำว่าโง่เต็มเต็มเลยสรุปต้องเปลี่ยนที่แอทดิจูดจริงๆอย่าไปคิดว่ามันซีเรียสอย่าไปคิดว่ามันแบบเรื่องใหญ่คือจริงๆ อาัมก็เอากำนี้ดีกว่านะครับคือ so what so what เราพูดครับ so what ทุกคนค่ะ so what so what เอาดังๆครับ so what แปลว่าอะไรครับแล้วไงคกูพูดผิดแล้วไงนี่ครับผมเป็นฝรั่งนะครับแล้วพูดผิดแล้วไงนี่ไม่ใช่ภาษาผมผมนะครับเหมือนคุณพูดภาษาผิดนะครับ ไม่มีทางที่ฝรั่งมาล้อคุณนะครั บ, นะรบถ้าเขาล้อคุณก็ไม่ต้องคบนะรบเป็นฝรั่งที่ใจร้ายนะครับแต่ว่า 99.99% 99ของฝรั่งนะครับก็จะพยายามช่วยคุณครับและก็ให้กำลังใจคุณถ้าคุณพูดผิดครับดังนั้น so what ถ้าคุณเจอคนที่พยายามติดเตียนหรือว่าทำให้คุณรู้สึกแย่ ก, กับการพูดของคุณนะครับก็ f o r g e t a b o u t h t h i v e a s o r g e t a b o u t h i t d o g e s h t e a s o t i e a s t k g e o i e p n g Don't give a n g e a h Don't give a shit. Yeah, don't give a shit. Don't give a shit. Don't give a shit. n t e a s o n t g s Don't give a shit. n t e a s Don't g a s o n g a h n a t Don't g i a s t g a s h e a s t Don't i s t o a s o g e a s n e a n o a n d a g h a t o i s t a e s don't expect perfection from yourselves อเคอยากคาดหวังความมีพร้อมไร้ที่ติจากตัวเองนะครับในภาษาที่สองนะครับเพราะคุณเป็นคนไทยนะครับคุณใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดผิดแล้วก็ถ้าคุณพูดผิดฝรั่งมองว่าน่ารักน่าหยิกนะครับใช่ครับอืมโอเคอย่างนี้แหละครับน่ารักมา ก, า ก, ากพูดผิดทุกวันโอเคผมก็จำได้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่พยายามฝึก ององอูคนะรับฝรั่งก็จะมีปัญหาเลื่อน ง, ง อ, อน ง, งอูเคยได้ยินฝรั่งพูดงองงูไหมเคยได้ยินไหมเขาพูดยังไงงองงู นอนนิวใช่ครับนอนนิวเราจะพูดงงงูไม่ได้แล้วผมก็ฝึกไทยใหม่ๆนะครับก็เรียนคำว่าโ no ง่แล้วอยากด่าเพื่อนฝรั่งด้วยกันก็อารมณ์เดียวกันกับที่คุณเรียนคำว่า stupid ครั้งแรกนะครับคุณก็อยากด่าเพื่อนคนไทยแบบเล่นๆแบบเ hey, ฮ้ you r e stupid อย่างเงี้ยเหมือนกันอารมณ์เดียวกันผมมีเพื่อนฝรั่งเรียนภาษาไทยพร้อมกันนะครับผมบอกครับคุณโง่นะ เขาแบบเขาไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมเขาเข้าใจนะครับถึงแม้พูดผิดเขายังเข้าใจครับเพราะว่าเป็นฝรั่งด้วยกันที่เรียนไทยคนระัโอกูจําำสอ์คํานั้นได้เหมือนกันนะนะจำได้ครับเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาบอกนะด่ากลับมา นี่ now, าชาวชืนอย่างนีนี่เวืใช่ครับ oh. ผมแบบไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันเอาพจนนุกรมขนาดพกุกเผาออกมานะหาคำด่า ก, กลับนะครั บ, นะรบในมูนงูงองูในมูหมูนอนอยู่นนะโอ้คุณนั่งนะฮะใช่ครับผมนั่งอยู่ครับนี่นฮะ no no งององูน ง, ง, ง งั่ง โ, โอ้งั่นแล้วก็เราก็ด่า ก, กันไปด่า ก, กันมาครับก็ฝึกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ฝึกฮะงองงูให้มันได้ครับเหมือนคนไทยต้องฝึกเสียง v เสียง th เสียง r เสียง l นะฮะมันมีหลายเสียงในภาษาไทย ท, ที่ในภาษ า, ษาอังกฤษที่ยากจะมาพูไทยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า we're in the same boat we're in the same boat ลงเรื่องลดีาวกันนะครับ we, we have to learn new sounds And new words and new things in our second language, and so we're, gonna we're going to, to clerk, mm -hmm. so we're gonna make mistakes. l a า a p u t piti, nandon. We're we're we're we're we're w e r we're r e we're we're we're we're w e e r e we're we're we're e r e e r e w e e we're we're w e r r e e r e we're we're r e we're we're we're we're w e r r e e r e r e w e e we're we're we're e r e e r e w e e we're we're e r e w e we're e r e r e e r e we're w e e we're we're r e r e e e r w e e r e r ก็พูดตามมาดำนะให้มีอนะินเนอร์ครับนะเราพูดครับนะ a person a person who, who. แล้วตรงนี้นะครับเราจะเจาะลึกนิดเดียงครับที่ตัว v นะครับเราจะไม่พูด never ฮ <never. S 1> นะ never ไม่เอาอีกต่อไปครับเราจะพูดว่าเราพูดครับ never never, never. never. Never, never. ถูกต้องนะครับก็คือหน้าอดำเ ม, มื่อกี้คือแบบ never never นี่นะครับเพราะว่าอดำอยากตราตรึงเข้าไปในสมองคนไทยว่าตัว v ไม่มีครับมีตัว v นะฮะให้เด็กแว้นเข้ามาในลำคอนะครับแล้วก็เร่งเครื่องบ never never อเเอาไหมครับ never made a mistake made a mistake นน made a mistake Never, thought, uh uh, never, yeah. never tried yeah. anything new. Anything new. Now, การพูดภาษาอังกฤษให้ชัดนะครับหรือฝรั่งมฝึกไทยให้ชัดนะก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับประโยคนี้ก็คือถ้าไม่เคยผิดพลาดก็แสดงว่าไม่เคยลองอะไรใหม่เลยนะครับ So you're trying new things. You're gonna make mistakes. Like I said, learn from and laugh at your mistakes. It will help you. It makes learning. Bold. Both fun and funny ฟ้าวไรครับ fun and funny ฟอนคือสนุกนะครับฟอนอีกก็คือตลกด้วยนะครับทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้นะครับคุณจะได้ไม่ต้องคิดมากนะครับ You will enjoy enjoy นะฮะยู l l enjoy learning ขอภาษาไทยอีกที enjoy ภาษาอังกฤษ okay enjoy enjoy มันตากะอันนี้ก็ได้อันก็ได้ enjoy ผมก็ enjoy กับการเรียนรู้ครับอเงี้ย even after years of practice you're still gonna make mistakes อดัมก็อยู่ไทยสิบปีแล้วนะครับฝึกไทยมานานมากที่บอกนะครับแล้วก็ยังพูดผิดในบางครั้งแล้วก็เข้าใจขีดจำกัดของตัวเองครับไม่ใช่ภาษาของอดัมดังนั้นเหมือนเหมือนกันนะครับคุณต่อให้คุณฝึกภาษาอังกฤษไปสิบปี20ปี30ปีคุณ ก, ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดผิดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เรื่องปกติของคนที่ใช้ภาษาที่สองนะครับทุกวันนี้ก็ยังผิดอยู่ใช่ครับก็พูดผิดบ้างนะครับถ้าคุณนั่งคอยจับผิดภาษาไทยขอนนะคก็น่าจะได้นครับน่าจะได้นะครับแต่ i don't care okay i don't care so you're gonna make mistakes มีอยู่ครักหนึ่งที่ได้ยินคนไทยพูดผิดนะแล้วก็แอบขำนิดหนึ่งครับที่บอกบอกอย่างนี้นะครับดูนะครับอันนี้เป็น IPA แล้วนะครับที่เรียนในคอร์สของเราได้นะครับนี่ครับ i went at 8โมนะครับ I went at 8โมนะครับซึ่งเขาจะบอกว่าไปตอน2ถุ่มนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ควบกล้ำนะครับกลายเป็น I went and กินจูนั่นเองครับนะเพราะว่า8 h t o'clock นะครับ o ก็คือนั่นเองครับดังนั้นเราต้องควบกล้ำนะครับนิดนึ่งครับให้ฝรั่งได้เข้าใจว่านี่ครับมี c มี l นะฮะถ้าเราดู IPA ครับกลับมาตรงนี้ครับนี่ครับ i p a got. n t y u uh, L L. h i native speakers. j a s t say I win it at a clock. Now, w h o I, I win it, okay. win it a a a a. h i t o at a a a clock. โอเคนี่คือแบบพูดเหมือนฝรั่งนะครับให้มันคล่องนะครับ8 o'clock o'clock ไม่ใช่8 o'clock นะครับไม่ดีครับโอเคอาจจะดีก็ได้โอเคแต่ว่าผมไม่ได้มีการแพ้ลมตลอดครับโอเคโอเคโอเค You will always have an accent that's okay All right I have an accent when I speak Thai it's not that bad but um you know บางทีเราคุยโทรศัพท์กับคนไทยเขาก็อาจจะฟังไม่รู้นะครับว่าเป็น เป็นฝรั่งแต่ว่าถ้ากุยยาวเขาก็หลุดพูดผิดนะคับก็ไม่เป็นไรครับเหมือนคนไทยฝึกพูดภาษาอังกฤษฝรั่งก็จะรู้นะครับคุณเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดมากนะครับเขไม่ได้คาดหวังให้คุณพูดดีพร้อมอย่างที่บอกม า, มาตั้งแต่ต้นนะครับอดัมการจะบอกว่าถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษแต่สำเนียงยังไทยอยู่เช่นคําว่า enjoy ถ้าเราพูดไม่ได้เราพูด enjoyenjoy ก็ได้นะ enjoy ก็ได้นะ enjoy นะครับ i enjoy learning อังกฤษ with my teacher อันนี้ก็ Level 1มัน acceptable มันรับได้ <laughs> แต่ถ้าบึดขึ้นไปได้ไหมฮะยกระดับ step it up one more step and it will get clearer เหมือนเมื่อกี้นะครับที่ติงนี้บอกว่า level นะ <c oughs> ได้ยินไหม level ตัว v ชัดนะฮะ level ถ้าเป็นไทยแท้นะครับก็ level นะ level ฮนะคือสำเนียงไทยมันฟินมากๆครับพี่ดูนะครับ <c oughs> ปาร์ีนะ <c oughs> ฮปปนะ happy ฮะ เลเวลนะผมชอบครับน่ารักมากนะครับคุณถามแม่ผมสินะฮะแม่ก็บอกโอ้โ oh, หชอบมากนะครับไอ like แกมมาภาษาไทยคืออะไรรูป้ป่ะพยาอุปกิจศิลปศาสตร์บอกว่าเราอ่ะ put the stress ที่ the final syllable ใช่ครับ promotion ตัวนะโอเคคอนคะูคอนคะูชันอะไรต่างๆเซนทรัลเ e n ทรัลเซนทรัลเวิร์ดนะฮ <Central. S 1> <Central. S 2> นะนะชอบนะเซน t รั n <อ> แต่ดําบอกตรงๆนะเวลาดราคุยไทยกับแบบคนขับแท็กซี่นะครับจะบอกพี่ครับผมจะไปเซนะมมทนรัลเวิลดแบบ igan, น์นะผมไม่ได้ํานะครับไม่ได้ําแบบพี่ครับผมจะไปสยาม p พริกินเพรกนนะไปมูฟวี่เดเตอร์นะผมไม่ผมพูดแบบไทยจ๋าเลยครับว่าผมจะไปเซนทัลเวิลด์ครับนะผมจะไป7 1เว่นีเว่นะผมไม่ได้แบบโชว์ภาพแบบผมจะไป 7-11 พาไปได้ไหม Seven e อันนี้แท็กซี่พาไปไม่ถูกชัว Seven Eleven คุณรู้จักไหมก็บอกอ่ะไม่ไม่รู้จักครับถ้างั้นเราเปลี่ยนที่ก็ได้ครับมผมจะไป Max Value อะไรวะอ่ Max like อ๋อ Max oh, Value อ๋อพาไปถูกแล้วโอเค Max Value นะผมชอบครับดังนั้นใ ห, ให้มองอย่างนี้นะครับนะ ค, บคุณมีสำเนียงนิดๆ น, นะฮะฝรั่ง<แ>มองว่า it's rad Yeah. t it's rad. Native speakers think it's. แรดนะครับแปลว่าอะไรครับเจ้าภาษาคิดว่ามันแรดเหรอแรดไรกันอังกฤษไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแรดตรงนี้นะครับแปลว่าเลิศนะฮะใช่ครับการพูดชัดนะครับหรือต่อให้คุณพูดชัดแล้วก็ยังมีกลิ่นอายคนไทยอยู่นะครับก็ถือว่าเลิศนะครับไม่ได้เรียกว่าแรดนะครับเรียกว่าเลิศแต่ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าแรดนะโอเคเราพูดนะครับทุกคนครับ I'm rad <Yeah. S 1> อะไรนะได้ได้ยินไม่ชัดนะเอาใหม่ครับ I'm rad I'm rad อ่าเริ่ดนั่นเองครับไม่ใช่แรับ so we like it we want you to speak to us คิดดูครับฝรั่งที่มาประเทศไทย เขาก็ชอบคนไทยอยู่แล้ว<ช>นะครับใช่ไม่งั้นไม่มาใช่ไหมครับเราจะมาแล้วก็ไม่ชอบคนไทยทำไม น, นะฮะคุณเป็นเจ้าบ้านนะฮะแล้วยังกลัวฝรั่งไม่เข้าใจนะฮะฝรั่งกลัวคุณนะฮะนะฮะ Yes we're afraid of you เรากลัวคุณเพราะว่านี่คือประเทศไทยคุณเป็นคนไทยคุณเป็นเจ้าบ้านนะครับคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วก็ยังอนะแล้ก็ยังถือว่าโ อ, โอ้เก่งมากนะฮะเพราะว่าคุณคุณไปพูดกับแบบฝรั่ง 99% เขายังพูด ภาษาที่2ไม่ได้นะครับหนใน100ที่จะพูด2ภาษาได้ดังนั้นต่อให้คุณพูดไม่เก่งหรือถ้าคุณเก่งนะครับก็ฝรั่งก็ประทับใจนะครับประทับใจมากแล้วก็ชอบคนไทยนะดังนั้นอย่ากลัวที่จะพูดกับเราเพราะว่าเราอยากผูกมิตรกับคนไทยคิดดูถ้าคุณไปอเมริกาแล้วมีเจ้าบ้านนะก็คือมีชาวอเมริกันมาทักทายคุณนะครับนะร บ, บอกว่า hey how are you today รู้สึกยังไงถ้ามีเจ้าบ้านมาทักทายนะครับโอ้ดีมากเลยรู้สึกดีใช่ไหมไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยมันเสือกอะไรอ่างเงี้ยเไม่ใช่แน่นอนนะดำดาบติงลิตลอดใช่ไหมหลายดอกนะวันนี้หลายดอกใหรู้สึกแบบนี้แน่นอนนะครับเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจนะครับที่เจ้าบ้านมาทักทายเรานะครับดังนั้นสยามเนี่ย คุณก็มีฝรั่งให้ทักไทยเยอะนะเยอะมากนะครับคุณก็ไปทักไายแล้วก็ไม่รู้รู้สึกว่าคุณไปรบกวนเขานะครับก็คุยกับเขานะครับพูดกับเขาไว้แล้วก็พยายามถูกมิดไว้นะครับมไม่ได้แปลว่าต้องเอามาเป็นขวนะครับใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> เข้าใจครับหลายคนคิดว่าโอถ้าเราเราคุยกับฝรั่งเขาอย่าเราจีบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ครับถ้าเขาเริ่มแบบล้ําเส้นไปแล้วนะรู้สึกว่าเออคือโอเคเยอะไปแล้วคุณก็บอกเขานะครับโอเคอ่าไป เสียเลยนก็หนีไปนะครับโอเคหรือคุยกับเขาไปครับหมดคำพูดนะครับไม่รู้จะถามอะไรต่อนะครับคุณถามจนไม่รู้อะไรต่อไม่ไม่รู้โอเค Where are you from How do you like Thailand How are you Do you like Thai food นึกไม่ออกแล้วนะฮะโอเคหนีไปครับบ๊ายบายเสี a นะโอ้ตจบเลยครับคงไม่เจอฝรั่งคนนั้นอีกต่อไปในชาตินี้ครับอ่ะดำกำลังจะบอกว่าเจอฝรั่งคนไหนอยากฝึกภาษาอังกฤษไปพูดเลยเขาไม่คิดว่าเราเป็นบ้านแน่นอนไม่ได้เป็น ป้าครับเขารู้สึกดีที่เจ้าบ้านมาทักทายครับเป็นอีกอาเรจูดหนึ่งที่เพิ่งรู้จากมุมมองฝรั่งจริงๆมาคิดดูที่บอกนะครับคนไทยกลัวฝรั่งในขณะที่ฝรั่งกลัวคนไทยมากกว่านะครับพอกลัวกันแล้วจะได้เจอกันไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าบ้านเข้าไปก่อนใช่ครับเข้าไปก็เข้าไปดีๆไม่ต้องเอากระเป๋าสตางค์เอาของทรัพย์สินมี่าอะไรเข้ามานะคะคุยกันไปไม่ใช่มือหันล้วงไปเอากระเป๋าขั้งหลังไม่ได้ทั้งหละที่บอกหมดคําพูดเมื่อไหร่ก็โอเค Good to meet you. Nice to meet you. Okay. See you later. จบเลยครับไม่มีอะไรที่อึดอัดนะครับคุณก็หนีไปได้ถือว่าใช้ประโยชน์จบแล้วเสร็จแล้วทงแกนี่อีกคำพูดนึงที่ผมชอบมากนะครับที่มาจากผู้ก่อตั้งนิตยสาร Forbes Magazine นะครับนิตยสารฟอฟฟอฟอฟฟอฟอฟฟอฟฟอฟฟอฟฟอฟอฟออ We learn from it. Failure is success if we learn from it. แปลว่าอะไรครับ Failure คือความล้มเหลวความล้มเหลวนะฮะคือความสเร็จถ้าหากว่าอะไรครับ If we เรียนรู้จักมันนะครับ I love this this is great ถ้าคุณพูดผิดแต่ว่าเรียนรู้จักความผิดพลาดคุณก็สำเร็จนะครับ you are successful okay learn from and laugh at your mistakes Failures become successes. Okay, that is from Malcolm Forbes. So remember, stressing over your mistakes will only slow you down. Okay, การที่จะเครียดหรือว่าคิดมากไปกับความผิดพลาดจะถ่วงพัฒนาการของคุณแน่นอนนะครับให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนที่ใช้ภาษาที่นะครับ So don't let it slow you down. Don't be afraid to misspeak, but be brave to use trial and error. in your second your language Or uh -huh. you know uh -huh. Trial and error. Trial Error. what we use t r l a n error ก็คือลองผิดลองถูกนะครับในภาษาที่2ของคุณนะครับแล้วก็ถ้าฝรั่งทำอย่างนี้นะโอเคพยักหน้าก็คือคุณได้ข้อ A นะจำได้ไหม A B A นะ ค, คือเข้าใจ B คืองงนะครับถ้าฝรั่งทำอย่างนี้โอเคคุณผ่านนะครับบันะ ร, รุปเป้าใหม่แล้วสื่อสารููเรื่องนะครับแต่ถ้าได้ข้อ B นะครับฝรั่งแบบนะนะ คุณก็ลองผิดลองถูกไปแล้วนะฮะคุณก็พูดใหม่ได้นะพูดใหม่ได้ก็พยายามเรียบเรียงคำพูดใหม่นะครับหรืออาจจะวิเคราะห์สักเล็กน้อยนะครับว่าเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยผิดตรงไหนฉันไม่ได้ควบกล้ำหรือฉันไม่ได้ออกเสียงตัวีให้ชัดนะครับหรืออาจจะเป็นตัว R ตัว L หลายเสียงที่เราจะสอนในใน Exchange English ของเรานะครับที่มันจะช่วยได้นะครับ แต่ว่าที่แน่นอนครับโดยผ่านทางการฝึกฝนเป็นประจำทุกวันนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆครับยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งครับแล้วก็ยิ่งจิง น, นะครับ The more you practice the better you'll get every day จริงๆการเรียนภาษามันมีทางเดียวนะครับ There's only one way to learn a language นั่นคือัคือฝึกฝนนะ oh. There's one way and it's through practice เหตุผลที่ว่าทำไมเราพูดไทยได้ไม่ใช่เพราะค ร, นะครูครูก็ช่วยได้แน่นอนครูเป็นไกด์นำทางของเราให้แนวทางให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำนะครับแต่สุดท้ายครูไม่สามารถเสกคาถาใส่เราแล้วแบบโอเคพูดช็อตไปเวอร์มฮัลโหอย่างนี้ <Hi there. S 1> เาทำไม่ได้นะครับเขาให้แนวทางไว้นะครับตัวเรานะครับ ต้องฝึกนะครับการเรียนภาษาเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะครับคุณก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนก็ได้ครับได้รับที่บอกนะครับแนวทางจากครูก็ได้แต่สุดท้ายการเรียนภาษาอยู่ที่ใครครับคุณนั่นแหละครับอยู่ที่ตัวเองนะครับ So keep going and gradually you will get fluent. Okay, so we want to practice some sentences uh, yes. together. When yes. he talked about fluency, because I a g r e พร้อมกันโดยที่เราจะมีอะไรครับอยากจะให้ทุกคนที่นั่งในที่นี้ค่ะขึ้นมาฝึกด้วยกันเราจะมีแอปพลิเคชันหนึงที่ถ้าใครได้ดูข่าวนะออกไปแล้วล็อตไปแล้วนั่นคือ My Echo Echo ใช่ Adam อยู่ใน My Echo ใช่ Adam จะไปอยู่ในนั้นและสอนคนไทยทุกคนให้พูดภาษาอังกฤษให้ชัด เวอร์โอเคโอเครีบขออันนี้ก่อนนะคะอาามเราเลือกสักคนไม่ใช่สักคนสิเรามี5้าประโยคขอหคนเราจะเป็นอาสาสมัครไหมเป็น volunteer ไหมได้ได้อาสาสมัครนะครับโอเคขออาสาสมัคร5ท่านใช่เราไม่ได้ให้ฟรีๆให้ขึ้นมาฟรีๆนะคะเรามีของรางวัลด้วยเพราะนั้นใช้ย้ายของรางวัลเตรียมตัวโอ้ใจแย่งกันค่ใจถ้เห็นพอดกระเป๋าดูว่าจะรีบวิ่งขึ้นมานาของ รางวัลนี้ในมือไม่ค้าแกท็บเล็ตไหมไม่อันนี้เอามาให้เบิร์อยากคิดกายนะมานั่งปางแดี๋จะได้ท <c oughs> ็บเล็ตกับบ้านเอาอย่างงี้ยอดัมต้องฝึกเขาก่อนต้องสอนเขาก่อนเพราประโยคนี้ออกแบบให้ชัดเป๊ะเวอร์ชั่นออกยังไงได้ครับและถ้าใครฝึกกับเอ่อไมเคิแล้วได้แบบนะฮะฟีดแบบว่าเพอร์เฟคคือยอดเยี่ยมแเวอร์ชั่ เอาไปเลยค่ะของรางวัลงเรานะคะเกยของรางวัลให้ด้วยนะคะมาโอเคมาเราจะหาอาสาสมัครก่อนไหมอ่ะอาสาสมัครมาก่อนอาสาสมัครแกเอาสักมาเลยิมาขหน้าเลยค่ะกมาเลยครมาเลยครับโอ้มาแล้วะโอเคอนักเรียนขอนําด้วยโอเคเออะเอาทุกคนยิ้มขึ้นมาเลยแล้วกันเอาทุกคนที่ขึ้นมาเลยแล้วกันราสถะเอาทุกคน่ขึ้นมาเลยทุกคนเลยครับเอาทุกคนเลยเอาทุกคนเลยไม่ไอ้โห ตายลวถ้าใครกันก่อนไหมเอาทำความรู้สัเอาชื่อเล่นเอาชื่อเล่นนะโอเคเเอาเป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเค English so o k a y How are you today? I'm fine. And what is your what is your name? I'm Ling. Okay, Miss Ling. Okay. And your name? My name is Mon. Mon. Good to meet you. Okay. And what is your name? My name is Boling. Okay. Good to see you again. อันี้นักเรียนของ Adam ด้วยครับใช่ครับ your n a My e m name is O, like a letter. Okay. O, like the letter. Okay. Good to meet you, O. My name is Pink. Ink. Oh, chat. Pink. Okay. พูดให้ชัด Pink. Not pink. Okay. Good. Nice. Pink. I like that. And you? My name is Bomb. Bomb. Okay. Bomb. Uh, i k e t l e b i r t right? r i g h t Okay. Good to meet you. Okay, <laughs> Mr. Bomb. Kicked. Kicked. k i c e d Kicked. k k e d k i c d Kicked. e d Kicked. Kicked. Kicked. Kicked. e d Kicked. e d k c k d your e a m e p k i c k e y Kicked. k c k d Kicked. Kicked. Kicked. k i c k e Kicked. Kicked. i d k i c e e d k o c e e d Kicked. k e d d k e d e d c k e d e c e d e d k e d k i c e d e d k i r e d e d k d k o k e d s i c k e d k i c k e k at the first sentence มาดูประโยคแรกครับคุณพี่แค move forward เดินข้ามไข้างหน้าหน่อยกนะครับเดี๋ยวตกไปนะครับข้างบนจะเห็นไหมข้างบนก็เห็นข้างบนอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้กันละกันทางบ้านดูข้างบนด้วยอันดับต้องสอนพูดประโยคนี้ก่อนอ่ะถ้าดีอ่านหนักด้อ่าน go out to look for some books with the boy น่าได้ไหมเขาน่ารักนะน่าจีบด้วยโอ้รอเล่นนะครับโอเคโอเคมีเมียทออยู่โอเคนี่ครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้มีแค่ a e i o u ที่เป็นเสียงสระนะครับจริงๆตัวสระกับเสียงสระไม่เหมือนกันในภาษาอังกฤษนะครับเสียงสระกับตัวสระมันแยกกันเพราะว่าตัวสระก็คือ a e i o u แล้วก็ sometimes y แต่ว่า a ดิ้นได้ อีดินได้นะแล้วก็มาดูนะฮะพี่ประโยคนี้โอก็ดินได้ครับตัวโอนั้นจริงๆถ้าเป็นโอมันก็จะมีเสียงควบอยู่นะครับไม่ใช่โออย่างนี้นะครับเหมือนคําว่าโก่ฝรั่งจะพูดว่าเราพูดว่า go go go ก็คืออ้าปากกว้างกว่าสระโอของไทยโอก็คือค่อนข้างห่อปากนะแบบโออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ โอ้โอ้โอ้ถ้าเห็นปากกระดมครับดูปากน้องนักชานะคะนะโอย้ยางงี้โอ้ oh, แต่ไม่ต้องแบบโอ้ว oh. ่อันนั้นเยอะไปโอเคโอ้ okay. oh. ดังนั้นคำว่า go uh huh. ก็คือ go go go go ต่อด้วยคำว่า out out ซึ่งอันนี้ก็ไม่ตรงกับสร ะ, สระในไทยเท่าไหร่นะครับก็มีสระอาของไทยนะครมีอวแล้วก็มีแอลนะฮะแล้วก็มีแอแบบยาวนะครับทีนี้นะครับมันก็กึงๆนะครับมันไม่ใช่อวแล้วก็ไม่ใช่แอมันคื อ, คอแอลนะฮะลองดูครับแอล out out ถ้าผมเขียนเป็นไทยนะครับในในแอปพลิเคชันก็จะเห็นว่าผมเขียนเป็นสระแอนะครับตามด้วยสระเอาครับเป็นแอเอาเร็วๆนะฮะควบกัน o อ t ฮะเราพูดอัอาเอาเอาเอาเอเอาเหมือนสมมตินะครับเป็นคำว่าวัววัวภาษาอังกฤษว่าไงครับัวโอเคก็แคเอาะ นะเราพูดวับข้าวข้าวนี่ข้าโอเคดังนั้นอันนี้ก็ผ่านไปสองคำนะครับโอเค go go out แล้วก็ to นะในภาษาพูดนะครับบางทีคำว่า to กลายเป็น ter แนะบบเป็นเสียงไม่เน้ น, นครับ ter นะครับ go out ter เราพูดครับ go out ter แล้วตรงนี้นะครับที่ double o เรามักจะคิดผิดนะว่า double o ต้องเป็นสระอูหรือว่าสระอูเสมอไปแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆ double o บางทีก็เป็นอูนะเหมือนคำว่า food นะ I like Thai food ก็คลา้คลายสระอูของไทยอูอูแล้วก็สมมุตินะครับเป็นคำว่าอารมณ์นะครับ mood I'm in a good mood ก็คือฉันอารมณ์ดีแต่ว่าตรงนี้นะเป็น look เป็นสระ มันไม่ใช่สระเออร้อยเปแต่เหมือนหอปากอีกหน่อยครับเป็นลองดูครับ look look เลทรักเธอไม่ใช่เหรอครับ okay. look <laughs> look เราพูดครับ look look go out to look เกี u ย to look ah there you go แล้วก็ต่อด้วยคำว่าท่าสำเนียงไทยก็ for นะครับท่าสำเนียงฝรั่งก็ f o r four f o r อาจจะเทียบกับสระโอได้แต่ไม่หอมากครับเป็น f o r Four. Four. Four หรือพูดเร็วๆก็กลายเป็น F E R FUR Go out to look for fur. FUR ใช่ FUR F E R FUR แล้วก็ต่อด้วยคำว่า S O M E เห็นไหมตัว O โอ้โหมันดินได้มากๆหลายเสียงนะฮะอันนี้คือแค่ตัวเดียวตัว O นะครับตัว O O นะฮะก็คือ some นะฮะ some คล้ายสะอาดของไทยไม่หันอากาศนะฮะแต่กึง่งๆนะฮะเป็น some some ซนะฮะอย่าคิดมากกับคว่าซ้นะฮะมันคือซซอย่างนี้ครับโอเคแล้วก็ไม่มีใครคิดมากมีอาคิดมากคนเดียวโอเคต่อด้วยคานี้ครับ books books ก็ไม่ใช่บุ๊กแต่ไม่ใช่เบิกแบบเบิกเงินที่ที่ธนาคารนะฮะก็เป็นประมาณว่ากึงๆครับ book <Book. S 2> มันเทียบเป็นไทยมันยากนะครับต้องดู IPA IPA <Book. S 2> ก็จะป่งบอกว่ามันคือ book book ตม as books อต่อด้วยคำว่า with with with ซึ่งเราจะแบลบเล่นออกมาอย่างไม่อายนะครับเราจะแบบอะไรนะ with h with with ก็ค um, mm. ือเหมือนซอโซ่แต <ml> ่แรบริ้นเป็นซอโซ่นะเราพูดว่าซอโซ่ซอเสือเห็นไหมกระเด็นนะฮะน้ำลายกระเด็นซอเสือซอสลาซอวิสีเอาพอจ้ะครับซอวิสีนะฮะคือวิสโอเควิสวิสอย่างเนี้ย i t h โอเคแล้วก็ the the the แล้วก็สุดท้ายมีคำว่า boy boy ก็ไม่ใช่บอยแต่ไม่ใช่บุยมันก็กึงๆแต่ถ้าจะเทียบก็อาจจะเป็นซออยมากกว่าออยเป็นเป็นแบบบุยบุยบุยบุยบุย Yeah บุย All right บุยพูดาษฝรั่งฝึกไทยนะเขาจะบอกว่าผมฝึกไทยบอยบยนะฝึกไทยบอยบยเพราะว่าผมพูดบอยไม่ได้นะครับโอเคทีนี้ ให้อดัมอ่านประโยคนี้อีกทีหนึ่งให้ฟังขอขึ้นสไลด์ั้งบนด้วยค่ะคนทุกคนในห้องนี้จะได้ดูไปพร้อมกันประโยคนี้ขออธิบายละเอียดมากนะครับละเอียดมากอย่าคิดมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะตั้งแต่ต้นก็คือถ้าคุณอ่านว่า go out to look for some book with the boy นะฝรั่งเข้าใจแนะ่ะแล้วก็คิดว่าน่ารักนะทีนี้ถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งลองดูนะครับยกไดว Mm -hmm. Go out to look for some books with the boy. Yeah. Okay. Uh -huh. คนแรกะครับ <laughs> ถึงเวลา okay. Okay. เทสแล้วนะฮะ Alright. อันนี้คือแอปพลิเคชันที่บอกพอมันเข้ามาในคอร์สของชัด uh, and easy ของเราอ okay. นะ๋ <laughs> มันจะอยู่ใน speaking mode นะคร <laughs> จริงแล้วเนี่ย Adam จะพูดประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยให้เราดูอีกทีนึงเนี่ย <laughs> อ่าซูมมาที่หน้าจอเลยนะครเราไฮเทคมาตรงนี้เนี่ยนี่ให้ฟังอีกรอบก็ยังได้ To look for some books with the boy. พูดเป็นตัวสล็อตจากเรื่องอ่าสูโทเบียเลยทีเดีช้ามาและครั้งนี้ถึงเวลาเราฝึกแล้วค่ะและน้องๆทุกคนจะได้พูดแล้วค่ะ้าได้ดีนะครับรับรองรางวันเราไปเลยแล้วก็กดเรคคอร์ดตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันจะประมวลผลให้คนแรกลองดีกว่าคนนี้ชื่ออะไรนะดํา หลิงใช่จำได้จำได้จำได้นะจำได้นะอ่ะอาดำจะบางหลิงค่ะเดี๋ยวให้น้องหลิงเป็นคนกดแล้วก็พูดประโยคสักครู่นะคะเ่ยโอเคอ่ะลองซิโอ้ว้าว Bossie เขาจะประมือให้หลิงด้วยอ่ะ Excellent อันนี้เลยครับยอดเยี่ยมประเทียงทองนะคนนี้ได้ของรางวัลได้แล้วคนต่อมาค่ะอันนี้ใครค่ะดังอันนี้ใครคับอันนี้คือคุณมน์ม์คุณม์นะฮะไม่ได้นะอ่ะน้องมน์จำประโยคนี้ได้นะคะมา อันนี้เขาบอกเห็นปะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวต้องพูดใหม่แอปพลิเคชันจะบอกว่า try again ก็คือลองอีกครั้งอ่าไม่เป็นไรเรามีโอกาสให้อีกค่ะอ่าหรืลองหรือลองดูไปด้วยกันทาได้ทำได้ try again go out to look for some books with the b a l l เห็นะดีขึ้นเห็นมะคันที่2ก็เกื้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครัตอดูนีเห็นมปีดแบบตรงนี้เห็นมะกือก็คือดีขึ้นคิดว่าคันที่3มต้องได้เฟอร์เฟคแน่นอนคันที่สามก็ได้เฟอร์เฟคแน่นอนลองลองอีกครั้งไหมอ่ะลองลองอีกครั้งได้อออีกครั้งจำได้จำได้โอเคเถืนอ่ะลองอีกครั้งนึง again go out to look for some b e a u l Perfect. All right. Well, very good. Excellent. Good job. Ah, that's v e o Well done. Well done. g o r this, we'll just, t Well done. <laughs> well done. <laughs> well done. <laughs> well done. <laughs> okay. Okay. Okay. Good. p s o n p e r f All r i t y good. e x c l o o d job. h t h s e r g o o e l l o n e w i t h t h e b o y เขาเป็นมรอหสุดยอดกันนี่นักเรียนอาดามอ้น่าหลักโอต้องต้องเรียนชัด and easy กับเรานะคะจะได้พูดชัดแบบนี้อ่ะลองดูอีกคนหนึ่ง Wow. Hold yeah. okay. the button, p l o a s e Nice, nice. I like it. Thai o p l e s p e k e n i s h Oh, e a h yeah. Ah. Come here. Go out to look for some books with the boy. Very good. Very good. อันนี้ก็ถือว่าดีนะคะกดมือค่ะ very good น <Very good. S 2> ะครับมันก็จะให้คะแนนนะและดึงนี้อยากให้ดูนิดนึงนะคะเห็นปะน้องเขาเนี่ยยังไม่ได้ perfect ตรงที่ว่าเห็นปะฮะมันจะมีตัวแดงๆตรงนี้เห็นไหมอ่ตรงเนี้ยไอเท d e t e ท t มันเห็นเป็นน้องออกเสียง ว, ว่า the bar แทนที่จะเป็น the boy อันสุดท้ายแต่เมื่อกี้ได้ยินออกเสียงคล้ายๆว่า the bar มันก็ขึ้นตัวแดงบอกเราเพราะนั้นตรงไหนที่เราออกเสียงผิดนะคะอันนี้มันจะดีเทคมันจะจับเสียงได้หมดเลยอัจฉริยะมากโอ้พญาประดิษฐ์นะอ๋อโอเคแต่หนูก็ได้รางวัลค่ะ Very good นี่มือถือว่าดีมากล่ะโอเค Alright l let's see it here we go อนไปกอก่อน to look a w e s with the boy Excellent okay, <not S 2> คนนี้ <bad. S 2> คือ Excellent เลยนะะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะะแต่ยังแอ บ, บมีอะไรแบบนิดนดหน่อยๆอยู่ฝึกต่อไปก็จะได้ Perfect นะฮะอ่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายตอนนี้เราแบบกินเวลาหรือยางเนี่ยเราหมดเวลาแลวเนี่ยตอนแล้ว่าจะฝึก5ประโยคนะอะดำประโยคเดียว v o l u n t e e ียเราเยอะมากโอเค สึกต่อนี้ดิฉ like, ันคิดว่าคุณได้ปิดสยามพาวารายพร้อมแบบพนักงานนะคะเอาไหมคะเห็นว่าเมียเมียใกล้คลอดแล้วนะฮะคนคนคนสุดท้ายน้องคนนี้ก look for some books with the boy อค uh, ah, นนี้ก็เ perfect เหมือนกันนะคะจำเนียงคัดนะครับตรงเมื่อกี้นะครับ books books good job mm. now. look books look for some books books ฟีดแบ็กต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยที่อดัมเนี่ยเขาก็จะแบบใส่ไว้ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากการฝึกทุกวันนี้ทุกคนมีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนจะเรียนกับอดัมที่ไหนก็ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยง่ายมากๆคิดว่าทุกคนต้องได้รางวัลไหมคะที่ขึ้นมาได้ไหมคะ ได้มด้ได้ได้หมดเลยได้หมดอเพราะงั้นขอเสียปรบมือค่ะเดี๋ยวให้อดัมให้เสื้อน้องๆทุกคนเลยนะคะขอเสื้อเลยค่ะอ่าอะโอเคนี่อะโอ้โหแจกเป็นสองผ้าป่าไม่ต้องถ่ายรูปก็ได้มอนะคัเป็นอะเป็นของขวัญนะคะเป็นเสื้อยืดกับหนังสือนะคะให้ทีละคน แอปพลิเคชันนี้นะคะทุกคนเนี่ยนะะดาวน์โหลดมาใช้ในเวอร์ชั่นที่รัฐบาล น, นะฮะลอออกมาได้เลยนะคะอ่าส่วนใครสนใจคอร์สนี้นะคะชาร์ตเอ็นไอดักับติงลี่สอนเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวลองสอบถามข้างหน้าบูทได้อีกทีแต่ว่าจริงอันนี้ให้เรียนฟรีได้แล้วนะคะแต่จะไม่ใช่คอนเทนต์ของอดาดันะแต่ว่าก็เปเวอร์เหมือนกันอ่ดันีนี่ของทิเกอร์ขโมยิเกอร์นีนไปไหนอ๋อเอาใส่กระเป๋าไปแล้วคไม่ือแล้วคือตอนแรกว่าจะหลาย ยนะแต่ว่าด้วยความที่เนน ะ, ะนะเวลาเราเหลือน้อยนะคะอ่าตี้เลยขอข้ามละกันนะเพราะว่าไปที่ประโยคนะนะอะไรดีครับตรงเนี้ย อ, อยากอยากอยากสักประโยคเหรอแต่ให้พร้อมกันได้ไหมอ่า yesterday I sat in my chair นะอยากจะให้แบบแต่ละคนพูดนะนะก็ได้ครับ yesterday mm. I sat in my chair ก็ได้นะกินแช่เหรอมีให้ก็บแช่จริงๆถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษนะครับ British นะครับจะออกเสียงคล้ายสระแอของไทยแบบแช่อย่างนี้แช่ Americans will say chair นะฮเหมือนสระเอหรือสระเอก็ได้เอตามด้วย w r air chair chair ครับพูดครับ chair chair นะฮบางคนแบบผนลุกนะฮะรู้สึกแบบก็แดดไปหรือเปล่าไม่ครับลองดูครับ chair เชียร์เชียร์เชียรโอเค so let's get to the first word คำแรกครับถ้าเป็นชาวเมกันตุธีมักจะกลายเป็นตุดีครับ yesterday yesterday yesterday yesterday โอเคว่ากันครับ I sat อ okay, อันนี้อันนี้เมกันนะครับสละแอร์มักจะมาแรงนะครับแบบว่า sat โอ okay, เคอังกฤษก็ I sat oh. I sat I sat in my chair okay, ไม่ใช่หรอโอเคคุณต้องเข้าใจนะครับถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษมันฟังดูสุ ข, ขุมมากๆนะครับนะแบบว่าผมพูดว่า this is a chair นะเราพูดไปแล้วทุกคนในห้องแบบ gh, คนนี้ฉลาดมากนะครับแต่ถ้าพูดแบบธรรมดา this is a chair ก็คือธรรมดาแต่ถ้าคุณยกระดับเป็นสำเนียงอังกฤษก็ chair ยังไงก็ Oh, sat in ก huh? mm ็เ hmm. ชื่อมเสียงได้เป็น s a t in นะ sad แล้วก็ d in sad in s a t <Sat S 2> in. in yesterday mm hmm. I sat in mm hmm. my chair my chair My okay, chair. are we ready? Should we okay. start over here? t h oh. e ขอคนละเร็วๆนะคะประโยคนี้เลยตั้งแต่ด้านนี้ Okay, เดี๋ยวเรอาัมอาัมโคชนิดนึงครับ Yesterday I sat in sat แล้วก็นะ sat in sat in my chair. Okay, พยายาม่ sat กับ in sat in. Okay. Yesterday I sat in my chair. Oh, excellent! Very good. เ k าตีมือมาก Yeah, wow. Okay. I s a t in m y v a h e a i e r o d Okay, very very <laughs> good. o k a e s e r o d o a y e o o k a y I'll, I'll, I'll, I'll y <laughs> ah. very good. o a e e o k e i t l o d Okay, e r e o d a y I e e a y y o a e r good. a very good. e e a e r y y y e e r d a y a d a e good. a o r y o r r e d very good. e e e Yesterday I sat in my chair. Okay, very good. I n e e d something I c r e a Satin, very good. I like it. I like it. Okay. Yesterday I sat in my chair. Good chair, chat ma. Yeah, very good. Yesterday I sat in my chair. Oh, nice. Very good. Okay. Yesterday I sat in my chair. Good, good, good. Okay, And... yesterday I sat in my chair. Good, okay. s o o d sound f r your hand, my friend. very good. เงินน้น้องลงเลยนะคะ s ขอ n d from your hand of you w h r s t u d y i i t Adam o d a Good job. Good job, everybody. เก่งมาก h i n in the c e of x c h a n g e who t e a h e s e n g s เชื่อไหมวันนี้ยืนดู a d ทั้งหมดอย่างมันไม่ได้แค่เรื่อง pronunciation. ถ้าจะถึงสไลด์สุดท้ายอะติงลี่มองเห็นนะว่าสับที่อาดาสอนไม่ว่าจะเป็นคำว่า improve attitude correctly confidence หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสับโทอีกทั้งนั้นที่ติงลี่สอนอันนี้อยากแชร์เฉยๆว่าแบบเฮ้ยวันนี้ที่มาฟมาังอาดาพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอะไรฮะเรื่องของอาริจูดที่ต้องเปลี่ยนและเรื่องของการสปีกิ้ง เพราะว่าเขาจะมีมีภาคฟังด้วยนะครับ<ช>ถ้าเราไม่เข้าใจสำเนียงที่ถูกต้องเราจะฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องของ speaking กับเรื่องของ listening มันเชื่อมโยงกันนะครับมันก็เกี่ยวข้องกันมากๆครับ ขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จบแล้วในส่วนของพาของอดัมกับติงลี่ดังนั้นวันนี้น่าจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างที่จะกลับไปปรับปรุงตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนในวันนี้ะนะเพราะฉะนั้นอดัมขอเขาเรียกว่าอะไรยูนเชนสตาร์ทเฮียร์การเปลี่ยนแปลงวันนี้ต้องเปลี่ยนอติจูดอย่างที่อดัมบอก Yes remember learn from And laugh at your mistakes. I promise. ถ้าทําอย่างนี้อาดัมสัญญานะครับรับรอง100ว่าภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดด น, นะครับคุณก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณเครียดนะครับคุณก็จะพัฒนาช้าแต่ถ้าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้ไม่คิดมากนะครับรับไปกับความผิดพลาด you will develop quickly. I guarantee it. g a ารันตี I guarantee it. Okay. All r i g พร้อมที่จะเปลี่ยนไปด้วยกันไหมครับถ้าพร้อมทุก ขอเสียงค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมอ่าขอเสียงปรบมือให้กับอาดามด้วยค่ะขอบคุณอาดามค่ะไปครับบอสเรากลับค่ะโอเคอ่า